แล้วหลังนิพพานแล้วไปไหนเกิดใช่หรือไม่ไม่ทั้งคู่ไม่เกิดแล้วจะไปไหนผิดจริงเหมือนกันถามผิดนะวัดชาเคยถามพระเจ้าตรงนี้มานะหลานไปเกิดใช่ไหมพระเจ้าบอกไม่ใช่งั้นไม่ไปเกิดใช่ไหมพระเจ้าบอกไม่ใช่งั้นทั้งเกิดและทั้งทั้งไม่เกิดไม่ใช่งั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ ดีมากวัาชาบอกไม่ศรัทธาพรนะเจ้าแล้วพอกันทีพรเจ้าบอกสมควรแล้ววัชชาที่จะงงนะนะซ้ำเติมอีกนะพรเจ้าก็เลยบอกว่าวัชชาเธอเห็นกองไฟที่ลุกโคงอยู่ตรงหน้าไหมวัชชาบอกเห็น <c oughs> เธอรู้ไหมว่ามันลุกด้วยอะไรร <c oughs> ู้สิย่้าระไมแห้ง <c oughs> ถ้าไฟมันดับไปเนี่ยเธอรู้ไหม รู้ทำไมจะไม่รู้มันดับไปเพราะอะไรก็เพราะว่าหญ้าและไม้แห้งมันหมดไปเชื้อมันหมดและถ้าเราถามว่าเปลวไฟที่ดับไปเนี่ยมันไปทางทิศเหนือใต้ออกตกอืมมระเจ้างงเปลวไฟมันจะหายไปไหนมันดับมันก็ดับไปเฉยเฉยมันไม่ใช่วิ่งจูดหายไปทางทิศเหนือจูดหายไปทางทิศใต้ไม่มีเนี่ยพระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นพระหลานตายแล้วก็ สูญไปเฉยๆดับไปเฉยๆเหมือนเปลวไฟนี่แหละไม่ได้ไปไหนมันเป็นคำถามภายใต้ตัวตนมีตัวอะไรจะไปไหนเนี่ยมันไม่มีเพราะพระหันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏสิ่งที่จะบัญญัติอัตตาเหตุผลในการบัญญัติอัตตาต้องมีการเกิดปรากฏโยมจะบัญญัติกระดาษก็ต้องมีกระดาษโผล่มาให้เห็นโยมจะบัญญัติฝุ่นรูปไปต้องมีฝุ่นมาให้เห็นเนี่ยน่ะ ต่บัญญัติอะตอมอิเล็กตรอนก็ต้องมีเนี่ยนิดหนึ่งเนี่ยโผล่มาแต่ในเมื่อเกิดไม่ปรากฏจะเรียกมันว่าอะไรเรียกอะไรไม่ได้บัญญัติอะไรไม่ได้เลยนิพพานจึงเป็นสิ่งที่บัญญัติอะไรไม่ได้เพราะเกิดไม่ปรากฏนะอุปาโทปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเกิดแล้วจะบัญญัติอะไรกับมันได้มันเป็นสิ่งเดียวที่บัญญัติอะไรไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่บัญญัติได้ก็คือต้องอุปปาโทปัญญายติเกิดปรากฏนั่นคือระบบของสังขตะคือขันหนะ้าศูนย์อสังขตะหรือนิพพานเนี่ยอสังขตะเป็นชื่อแทนนิพพานมันไม่มีการเกิดท่โยมนะเนี่ยมันไม่เกิดทำยังไงอ่ะนะเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่มีการดับเหมือนกันนะไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับนะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มีการเกิดปุ๊บจะเสื่อมนะมีลักษณะการพูดของผู้เจ้าเนี่ยอันเนี้ยไม่พูดเรื่องดับเห็นไหมดังนั้นเวลาพูดคุณสมบัติของสังกตปพูดหลายแบบนะอันนี้แบบหนึ่งย้ำจะเห็นอันนี้คือพูดเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆตัวเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยคือติดตัดสานยัตตตังปัญ ญ, ญายัติ เมื่อตั้งอยู่เนี่ยก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเช่นก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยละลายปุ๊บทุกวินาทีเลยเสื่อมตลอดจริงๆทุกอย่างก็เสื่อมอยู่ทุกวินาทีแต่เรามองไม่เห็นสังเกตไม่ออกนะอ่า